มัชฌิมาของพระคุูพเจ้าที่เดชมันหนักขนาดไหนมัชฌิมาก็อย่างนั้นเให้ถึงกันถึงกันนั่นนั่นเดียวมัชฌิมาเราอย่ามัชฌิมาของที่เดชามาใช้เลยถ้าเราจะต้องการแต่มัชฌิมาพระเจ้าให้เลี้ยงถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นนั่นแหละถึง มัตติมาเหมะกับการฆ่ากิเลกประเภทนั้นๆมัตติมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกลียดอ่อนแรงนั่นขณะนี้พอดีพอดีพอดีนะมัตติมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัตติมาต้องทำให้เป็นนั้นควรจะตายว่าว่ามันลงไปควรจะอะไรเมื่อผมมั่วผมลงไปตามการตามเวลาตามสลฐานที่ตามเหตุการณ์ที่เกิดแต่ทาอย่างนั้นนั่นนัานนั่นเรียกมัตติมา หนมัชมังวิเดชอย่างที่เราเราทั้งตั้นเห็นเงินีนุมัชมางวิเดชสร้างนะจะทำอะไรบ้างเยอะมากเพราะว่าันจะเพินไปวเจญาณธรรมัชฌิมาเนี่ยวิเดมันเอาดวงอิญญามาใส่เข้าไปแล้วมันดูข้างหลังแล้วมันขึ้นกลิ่นบนหัวคนบนหัวใจคนน่ะบนหัวบนหัวเลยคําว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริงแต่ถึงนามาปฏิบัต ต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับตัวดิในิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกฤษคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดสำหับผู้ที่ทำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน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 นายช่างเขาก็ทราบของเขาเองนี่เราเป็นนายช่างขนาดเราเราควรจะท่านในตัวนี้ในตัวเองขนาดไหนที่ปิดมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นหลักเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนโดลูดลงไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิบั า, านมันก็ต้องต้องย่อนยานลงไปต่างน้นหนักทำเข้าขั้นละเอียดที่ควจะท่านความละเอียดก็ต้องท่านความละเอียดจะไปผาดผลนั้นก็ไม่ได้มาเอาลู่ในตัวเองนั่นแหละ ถืงเวลาเด็กมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรท้ายในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือกิเลสนี่ยวกับการปฏิบัติเหมาะสมเดียวกับมัชชิมาแล้วได้ผลไปโดยลำดับถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักอย่าเงี้ยขนาดที่มันหมอบราดเราไปเจอตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าเข้าสู่ความโง่แล้ว ก็เป็นผลนั่นเองแล้วก็ชมผลจะไว้ผลนั้นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยต่างไปน่ะี่ยกตัวอยา่างคือพระนาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังเอาจีนเอาจางังจนถึงเหตุถึงผลประจากษ์กัภาในจิตใจจนกระทั่งถึงเก้าอยู่ความราบภาบแล้วถึง น, นั้นมันก็ต้อง ต่อให้เป็นแค่นั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเป็นพูนก็สวยผลในขณะนั้นความสงบความสว่างสวยจะสแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชําระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขนาดนั้นรวมสติปัญญามีก็ท่าบกันอเท่นานั้นไม่ทํางาน เป็นเรื่องราบชาติผละนั้นพอจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงปากปุ้นอะไรต่อไปอีกน่าหนัะที่นีเป็นโอกาสที่จะตามลงไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมาเเรียกว่าความเหมาะสม ก, กิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นํามาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามกิเลสที่แสงตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาที่เรตมาแก้ที่เรตประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูวาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามสลิตนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงเอาแฝงมาด้วยและต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วๆไปฟังเลือกมาญาติ อันเหมาะสมดีงามนั้นเป็ น, ปนไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดแตพราะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มัน่นท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเดนหน่วยจําเปิดซ้อนมีมีแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยปุกทรมานเิเลยหรือปราบปรามเจเลยท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิถีการอย่างนี้เนี่ย ถึงการที่จะมาสอนลูกศิษย์ลงหาที่ศึกษานอบรมเฉพาะอย่างยุ่งคืนนักปฏิบัติด้วยกันล้ว น, ว น, วนท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแต่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปรวมศึกษาเวลาท่านแยกแยะไปทำคนหมู่มากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็ียกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น เป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็แสดงในวงใกล้คิดนั้นจะได้เห็นดวลลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติาการการดาเนินขอนทงท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกมาทั่งถึงน้องอาเป็นคุณครอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนอนอกหิงออกจากออกเป็นออกตายเข้าว่าเลย คือว่าจารย์ทัหลายจินต์มากเจ้านิสัยนั้นมาใช้มีเสมอเพราะนิสัยนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นที่มาใช้นิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการเพื่อเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสยัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแล้ว ไ, ได้เป็นเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เป็นเม็ดเต็มหน่อย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 ฟังว่ามันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกำลังใจมันก็มีมาเองแราวที่จะนําไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นถึงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมีแค่อ่อนมหย่อนยานลงไปตามสภาพของผ่าของขันของจิตใจลราก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวละ จิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกฆาสึกกดถี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกบงกดถี่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลือไม่ผิดกั น, นไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจียงยังไยต้องช่วยด้วยช่ยด้วยช่วยด้ว ย, ว ย, วยเป็นธรรมนานี่จิตใจที่ถูก ก็ขีบบังคับจากค่าสึกคือพิเดตทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากพิเดตเพราะจากจิตซึ่งถูกพิเดตเหยียบย่ำทำลายจึงควรหาวิธีช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึพ่งพิงอิมัยษิตนี้ไปตลอดกาล มันมีการใดที่จะแยกจากจิตเพราิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นตัวอักษรจียาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราที่อันหนึ่งเรียกว่าสิตท่ทนั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจา ก, กจิตจิตเรียกร้องหาความเสียดสีจากเรา เราจึงไม่ควรนอนใจให้ความช่วยเหลือแก่จิตเป็นเต็มความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลำดับลำดับจนกระทาั่งถึงผ่านพ้นบุพสารไปได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับมีเป็นหลังใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้แนะ น, นํางสอนระ บ, บายต่างๆและนำํำนั้นไปช่วยตัวเอง ในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์มีเป็นก็ชนิดหนึ่งเราจะนําอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนธรรมะเราเราก็นําไปทําให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สําคัญอีกด้านหนึ่งคืออุบายที่ผลิกขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตอนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตอนก็เดินดีบยืนให้อย่างนี้ เรามีขาดเขินบกพ่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยุดยืนให้ผมไ ม, ไม่ไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานําออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทั้งต่อวาจะสติปัญญาที่ครูว า, ารจัแนะนำถ่องสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ดแบบได้ดอกได้ผลมากมากขึ้นโดยยังนึงถ้าเกิดขึ้นใน การผิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นพ้นทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนเกาะจปนมงถึงคาวจำเป็นจำใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่นักิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตภรนาม า, มาพป็นความเง้วถึงค่าวจำเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตประวัติเข้าภ า, ายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไ ข, ข่ใครก็ตายเต็มตัวว่าง ความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเป็นผู่มก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณะนั้นต้องเป็เรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจริงต้องพยายามติดตั้งแต่หมันนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเถียมกับคุณมายาของติเลที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้น้ๆเฉพาะอย่างยิ่งในขณะตายตัดโลค ก, กลัวกั น, เ ร, น, กร เ, นออเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตาย เพรา ะ, ะนั้นจึงต้องพุ่งเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับไปของกิเลสที่กัวตายให้มนนันเกิดความกล้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อรู้เข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ใช่จะได้หากูัอะไรเหมือนหลอกตัวเองน่ะตายก็ทราบแล้วมันตายเป็นยังไงจึงเรียกว่าตายเนี่ย รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมไฟไม่องไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความรระทบกระทัน่งในการสลายตัวของมันเองแต่ไรเราใจาซึ่งเป็นของไม่ตายเราไปกะทบกร่งหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างหรอือเปล่าเน่เพราะอยนั้นกระทัดขันมันไม่โง้อมันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนีเองเราต้องขีดความฉลาดให้ทนันกับธาตุกับขันกับตัวเองคือจิตกฎรรมายาที่เกิดขึ้นจากจิตทำให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่ เรียนธรรมก็เรียนความจริงซึ่งมีอยู่เป็นโลกเึ็มสารทั้งท่าน ท, ทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงนันล้วนท่าสีาิปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ซึ่งมีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สมัยเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงอก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขัน โลกย้ายไปมาเท่านั้นเองทันหานิจังนิจังมันแปลจาภาพตัวของตัวนิจังเองมันไม่ราบว่ามันเป็นนิจังมันไม่ใชบเป็นทุกขังไม่ใช่เป็นทุกตานะก็คือจิตผู้นี้ไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นนิจังทุกขังต า, าตัวหลงนิจังทุกของอาาักของต า, าก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อืน่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิง น, นั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่ง น, นั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสรรต่างๆไปจำขันนิหมายต่างๆให้รู้ตัวเองด้วยเมื่อตาม รูปทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะกลายจะอะไรจะโ่งแย่เปลีป่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความจริงของมันอืสบายเรียนทาเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเบื่อทุกข์เพื่อความหลอกแก้ความหล อ, อกลวงที่เกิดอิพันธ์ณจิตทั้งตน้นไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้งถุนกั้นเราต้งถุนเรานั่นสิมันต้งถุนมากยิ่งกว่า สิ่งภาณอออกมาต้นสิ่งหลอกนี่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากลมมายานี้คือเรื่องหลอกตัวเองล้นล้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความลมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงขอ ง, ของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มันก็สบายคําว่าพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียดับใจ มันมีอะไรเหลืออิพันธนจัยหนึงท่านเรียกว่าพ้นนี่พ้นตรงนี้นะมันจนโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิศพระจันทร์งคานที่ไหนนั่นเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงจางแท้จริงว่ามันเป็นอย่างไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมมันหลุดจากกาันไปมัอเหมือนกับมืดสว่างเนี่ยะมืดมันมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็หยุด เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องกับมอนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นนี่พ้นจากทุกมันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านั้นเด็ไม่อยู่ที่ไหนอรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายพยาฐานการเวลาเดี๋ยวตะคุปเงา ไม่แต่คุปเงาบอกก็รู้เงาก็ารู้เป็นคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่แต่คุบทั้งเงาก็ไม่แต่คุปปงดูสมาลิ่นนี้ว่ารู้รอบเมือนนั่งตะวันเที่ยงตรงศีรษะแล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดอมืนี่เมื่อปัญญารอบจิดแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัว ม, มันอยู่สมาลิ่งนี่อย่างคำพ้นโลก โลกหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่นี้โลกแย่งสมมุติมันครอบงาจิตยอยู่แยกกันไม่ออกมันว่าโลกแก้ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรนธรมนนล้วนมันแจกหมายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสำคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก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 แปลว่าอะไรกุศลธรรมมาตายแล้วมืสวยกันเอ็มมาเต็มม า, มาเฮ้ยเรานี่ไม่อย่างยุ่งไม่นั้นนะ่นะวก็ชัมากของตามชัวร์ถ้ามันเต็มใจของเรานี่กุศลธรรมมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิตขึ้นมาให้มันเกิดความเสลียวฉลาดท่านกับกิเรดที่เป็นความโง่เข่าทำผลให้โงวว่เข่เาก็คือกิเลดกุศลธสรมคืหมาของมักุสนได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่ผีภายในจิตใจมาแล้วกุศลนกุศลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสมัย มันต้องพยุกต์อะไรแผู้ประสบกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรแต่เสวจินเงินยินทองโง่เปามันเกิดประโยชน์เฮ้อเด๋งั้นยินนี่กุศลาธรรมามันดูจิตของตัวเองมันฉลาดไม่ไหวเวลานี้อัปปุศลาธรรมามันมีโง่อยู่ในจุดใดบ้างภายใจิตนี้เฮออัปยากต์าทำมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางที่เรนเป็นกุศลที่เรนเป็นอกุศล มันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นกายากตาธรรมเหมือนอ่านถ้าเราจะจะแยกสมมติไปคงนั้นแต่กินเราธรรมนามันเป็นจะไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่ล่ะลัานใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมะกุศลธรรมะกายกตาธรรมะภ า, า, า, า, ายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมะให้ตัวให้ให้มันพอเสียตายแล้วนี่มึงครมามาจุดฆ่าผู้ฆ่าหรือไม่ไม่เป็นปัญหา น, นี้โลกเขานิยมมันว่ากระทั่งขึ้นมาอย่างนั้นแหละ ี่ผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้ลหลักฐานที่เหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาภายในตัวเองเนี่ยนี่เป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ผิดการสร้างกุศลธรร ม, มาแก้อกุชลาธรร ม, มาภายในตัวเองแก่ของนี้สร้างของนี้มนเทพเสมอเนี่ยใครจะมามากาตามบางทีเทพในชนูทุนมงมากพรอไปสร้างผันเรื่องนี้เอาใหญ่เลยอื เวลาหลงตาบัวตายนั้นยิ่งมาไปเที่ยวคว้านอกครั้าหมาลําบากลำบทนำท่านนะมากุศลาทำมาอากุศลาธรรมาห ล, ลงหลงตาบัวตายแล้วนาว้าเออตายตายทังหลวงตาบัวถตัวพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลําดัดบๆจนเป็นสติกํลาลังความสามารถทํามันจะจมให้มันจมไปเออหาความลาจ ถ, ถึงจนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสู่กุศลาแบไม่เกิดประโยชน์วางนี้เลยตะกว้าทนท่านมาทำไมครัะตะกวนพระธรรมะคำว่งสร้างโดยให้มันพอ เวลามีทีวิ อ, อยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกว้านพระตามมาสามามกุศลธรรมมายุ่งไปหมดในส่วมาท้งก็มีแต่พิธีนะแล้วให้พวกนั่นแหะสับปะหลงเลอเขาจัดนั่นกันนี่แม่แต่ผ่าไส้ยี่วอนอะไรกันแล้วจัดแ ล, แล้วเราก็ดำ ด, ดมมาาาํามาถวายแบบนั้นเป็นพิธีนหนึ่งเอ้ยน้ำพังน้ำแหลงตัวเองที่จะทําแสดงความพออกพอใจด้วยตัวเอง เป็นสมบัติขตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไมนเห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีมันเรื่องมือนี่แต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พธิธีมันเหยียบย่ําทําลายอยู่กับของใจของคนเพราะนั้นเรากดจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองอดีในงานสมบัติพ่อบัวนี่หรอทำให้คนเห็นเพะ โรคบางทยรื่นี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งพุทธลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยอดีไม่ดีดห่อวิธีทำมาสร้างกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่รทราบวิธีหมายความว่าไงสวดกันวันทั้งคาคืนทังรุ่งนี้จะเสียงหรืกระตุกนคือโคมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปก็ความสงบเพีย็นใจแก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเด็กเลย แล้วพาท่นมาก็มาอ้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่นใครมีตาทาอะไรเอาบางสกุลเสร็จแล้จะถาตะพีให้พออเนี่เหมาะเหมาะถูกต้องตามหลักของพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทาอย่ า, าอืให้โลกได้เห็นมนัเป็นเรามีแบบมีฉบับข อ, องเราแล้วไม่ได้ทำแบบสมดาวๆหรือแมจะป่าก็ตามเอ มีหลักมีหลังนั้นแหละทําอะไรต้องมีเหตุมีผลมีหลังมีเกณฑ์ถ้เอาต่วตัวเคลียมาเหยียบจําทํำลายศาสนาจะเหลือแจะชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่ระวังเลมีศา ส, สนาพุทธีเต็มหมดเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี้แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมือง ในที่นั่อยากไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขานิมนต์นไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างนี่หนึ่งเทศลูกศิลุกศานิมนต์้ไปกุชลามาติกาบางสกุลเอ้ยอยากไปเลยมันไปขี่ขว้างเขาระหว่างนี้อ่ะอ้าวขี่ทิ้งแต่ัความจริงแล้วมันอยากไปยุ่งนี้จะพิถีไปยุ่งเลยกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโอโหพิธีพวาดประดทําทการรอบด้านรอบเมืองศาสนามจะจัดงาพิธี ทำต้องทําให้จริงให้จำให้ถูกกามเหตุตาผมผลก็ุตุบุตุธาสลายจะได้ถือเป็นกติกตัวอย่างมันดีงี้นั่นหลักความบุติของนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจถ้าพธิธีเอาขังแต่แท้ไครั้งในสิ่งที่ไม่ ข, งขังเก้าในสิ่งในสถานที่ไม่คันทั้งนั้นถลอกปอกเปิดแล้วไม่หายา ม, มาใส่ไม่เกิดประโยชน์อะไรการัี่ตรงไหนเก้าที่ตรงนั้นเ น, นี่ยออจริงที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องส่วนกุศลาธรรมะให้สวนในตัวเองนั่นแหละ นั่งก็ให้สวดยืนโดยนนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจารณาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นั้นนพาให้คนเอิกรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทําให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเศษสันนิษฐานมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความฉลาดเกิดมากน้อยเท่าไรจะตดเกื่อนทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลําดับะ นี่แหละกุศลาอันถูกต้องอันาตรายนี่เหตุประโยชน์ธรรมนักปฏิโยมันเกิดจะอะไรใหตุโดยดุอะไรเป็นเหตุปเป็นปัจจัยก็หัวงใจของคนเราอย่างก็อาตชี้การแสดงแกับระสายุนยศมาเหตุปวานะ่ทะทำรลายเกิดจากเหตุเหตุประโยคน์เวลาเป็นเหตุน่ะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เอื้ออกไปอย่างนี้ก่อเนเมือเป็นขั้นแหนไปดูลำหน่ำดับ ก็ไปจักางนี้อวิชชาพญาสังคาเขาเลื่อยไปเรื่มาทั้งถึงเชมรุระโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเติมายเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาวตัตถุอาเซสมีราคารัาไปเลยจนกระทั่งถึงเนียวโทโหติเน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งรากแล้วกินก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละ่ะมันดับตายทุกทุกการหมดถ้าถอนรากที่เราฝังมีนขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ่ะ ถอทกิเลสไปตรงถอทนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้สวดกันทําไมส่วนไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลทำมาโมยเจ้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบมึงโง่สวนแบบนั้นคําหนึ่งถามไม่ได้ผลัะไรไม่เรื่องเขาพาทำมาทำบ้ายทำไปเหมือนทำโมยเจ้าสอนคนให้โ ง, ง่ห อ, อย่างนั้นมันไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลาด ทำเป็นสิ s <S <The S 1> ่งท so ี่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เวลาเราปฏิบัติเอาแบบกลุ่มดาวเอาความง่ายเข้ไปว่านั่นก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่แต่ชื่อมานับถึงศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับนอนก็ว่าพะโปเลสปเลสโปเลสเราเรามาโตเกือจะไม่จบจะตายไปก่อนแล้วเนี่ยลมก็ออกลงไปได้ว่าซะแล้วก็ดีแค่เพียงเท่านั้น น, นิดหน่อยทาั้นดีใจเราไม่ได้ปฏิเสธนะว่าการวาดทางนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันจงอยู่เรานั้นเราไม่ได้คิดนี่สิอะไรพาให้ทำออดแดทั้งขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นเพราะงั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมี จ, งมจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาเขาจะตากดแจโลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้น อันละเอวังนแบบนี้